เช่นนี้เองหญิงจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งหญิงไปได้ชันใดก็ฉันนั้นเมื่อชายพอใจสภาพแห่งตนสนใจสภาพของหญิงชายก็ไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้เช่นกันข้อความจากสังโยคสูตรอัตถคถาผู้ที่ได้อิทถีภาวะรูปเพราะชาติแต่ปางก่อน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 เป็นกุศ ล, ลกรรมอันท่งพลังจึงยังผลให้เกิดเป็นชายข้อความจากประอาทิธรรมมัตสังคหะรูปะสังคหาวิภาคชาดกเพราะกรรมเมื่อครั้งที่เคยมัวเมาเป็นชายชู้กับภรรยาผู้อื่นไว้มากดิฉันตายจากชาตินั้นแล้วต้องลงไปหมกไหมอยู่ในโรรุวันรกพ้นจากนรกแล้วขึ้นมาเป็นลาถูกเข้าตอน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 มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์อัตถกาถาและชาดกรากของความเป็นชายเป็นหญิงคือการติดข้องผัวพันอยู่กับภาวะคู่ตราบใดที่ยังมีความติดใจติดข้องผัวพันยังมีความยินดีในเพศรดก็จะต้องเวียน่หวในสภาพหญิงหรือชายไปเรื่อยๆพูดให้ง่ายที่สุดภาวะหญิงชายเกิดจากความติดใจ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 การเห็นรายละเอียดความแตกต่างก็ไม่ได้นำมาซึ่งความเข้าใจว่าแรกเริ่มเดิมทีอะไรเป็นตัววางแผนให้แตกต่างเมื่อศึกษาเรื่องกรรมและวิบาก ค, คุณคงเห็นแต่แรกว่าเราเลงกันที่จิตเป็นสำคัญมนโนกรรมสำคัญที่สุดกรรมที่แบ่งเพศก็เช่นกันถ้าเรารู้ได้ว่าจิตแบบไหนคิดอย่างไร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 หรือเทพธิดากับทั้งงามงดสมใจแต่หากไม่ได้มีการอธิษฐานใดๆเป็นพิเศษและมีความหวันไหวในขณะก่อนให้ทานขณะกาลังให้ทานหรือขณะที่ให้ทานเสร็จแล้วความหวันไหวนั้นจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดรูปหญิงและมีความผันผวนทางอารมณ์ความวันไหวในที่นี้ก็คือความเปลี่ยนใจกลับไปกลับมา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 อาจส่งให้เป็นหญิงงามสง่าแต่อารมณ์อันเป็นภายในผันผวนรุนแรงแบบคนมีลับลมคมในแอบซ่อนมากมายหรืออาจถึงขั้นทำให้ภายนอกดูเป็นชายชาตรีแต่จิต ก, กลับแอบเบี่ยงเบนทางเพศอยู่ไม่อยากให้ใครรู้ที่เป็นเช่นนี้เพราะธรรมทานมีอนุภาพแรงถ้าให้จริงก็ดีจริง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 3. หอมแก้มใจเขายินดีทางเพศใจเรายินดีทางเพศนับว่าด่างร้อยราวยี่เปอร์ซนตจูบ ป, ปากใจเขายินดีทางเพศใจเราไม่ยินดีทางเพศแต่มีความยินยอมด้วยเงื่อนไขบางอย่างทั้งรู้อยู่แก่ใจนับว่าด่างร้อยราวห้าสปอร์เซนห้า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 ใจจะยินดีหรือไม่ยินดีทางเพศก็ด่างพลอยถึงขั้นฉิวเฉียดขาทะลุมาได้เกิน 90% เอร์ซนหกอวัยวะเพศเข้าถึงกันหรือมีอวัยวะเพศเข้าถึงปากเว้นแต่จะถูกขมขืนโดยไม่มีใจร่วมยินดีทางเพศอยู่เลยให้นับว่าศีลข้อกาเมขาทะลุแล้วทั้งคู่ร้อเปอร์เซ็นต์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 เรียกว่าสวยทุกข์ในชาติปัจจุบันเห็นทันตาและชาติถัดมาจะต้องประสบทุกข์ทางกายหรือทางใจในทํานองที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดบาดกายบาดใจแล้วแล้วเล่าเล่ า, ล า, ล า, ลาบางคนก็ติดกา ร, รมโรคชนิดเป็นเป็นหายหายแต่หากประพฤติผิดบ่อยครั้งจนความละอายเหือดแห้งไปทุกทีเพราะบาป พ, พอกพูนจนด้านชามากขึ้นเรื่อย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 มากพอจะตบตีทำร้ายร่างกายหรือถึงขั้นฆ่าแกงกันลงคอคนที่ประพฤพืชผิดทางเพศหรือสำสอนมากๆจะมีรังสีมือดอันหน้ารังเกียจชนิดหนึ่งที่คุณสามารถสัมผัส ร, รู้สึกได้ตั้งแต่ชาติปัจจุบันที่เขาก่อกรรมอยู่รังสีมืดชนิดนั้นถ้าเข้มข้นมากแล้วแม้จะเป็นเพื่อน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 ได้มากน้อยตามกันอย่างเช่นองค์ชาติเป็นอวัยวะแสดงความพงงาจมีความตรงอานหน่าเชื่อมั่นแบบชายส่วนปทุมถันหรือหน้าอกเป็นอวัยวะแสดงความสามารถเลี้ยงดูและให้ความอบอุ่นแบบหญิงองค์ชาติถูกตกแต่งด้วยกรรมที่ทำด้วยความหนักแน่นอาจหานส่วนปทุมถัน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 จะทำให้กลับมารู้สึกถึงความเป็นเพศหญิงในตนโดยมากจะออกแนวเห็นผู้ชายเป็นลูกไล่หรือไม่ก็ลูกแง่ให้ตนนึกหมิ่นซสมากกว่าสำหรับหญิงที่มีความเป็นผู้นำโดยเฉพาะหากพยายามเป็นผู้นำในทางบุญโดยเจืออยู่ด้วยความภูมิใจในอัตภาพหญิงเกิดใหม่ร่างกายอาจมีส่วนสูงเกินระดับเฉลี่ยของหญิงในละแวกที่เกิด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 ความเป็นเพศของกิริยานั้นๆก็เปลี่ยนใจคุณได้เช่นดาราชายหลายคนเดิมจิตปกติตามเพศอยู่ดีๆพอไปรับบทดีดดิ้นกระตุง้งกระติ้งต้องใส่จริต จ, จั ก, ก้านแบบผู้หญิงนานเข้าจิตก็บิดเบี้ยวจากสภาพตรงไปตรงมาแบบชายกลายเป็นอยากโยกโยนดัดไปดัดมาจริงๆนี่ก็นับเป็นความน่ากลัวของกรรมใหม่ อันเกิดจากการเสแส้งหรือแกล้งลองล้อเลียนไม่ควรที่จะประมาทเลยผู้มีกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงหลายรายอธิษฐานตั้งมั่นอยู่ในทานตั้งมั่นอยู่ในศีลตลอดจนเพียรเจริญสติเพื่อละกามเลิกติดใจผัวพันธ์ทางเพศเห็นผลมานับไม่ถ้วนว่าจิตของตนตรงขึ้นมีความรู้สึกเป็นชายมากขึ้น นี่คือหลักฐานยืนยันหนึ่งว่าภาวะทางจิตเป็นสิ่งเปลี่ยนได้โดยกรรมในปัจจุบันนี้เอง